Book 2สิบเจ็ด s i d <Seven. S 2> รอบบ้าน v a h i s h บ้านของเราอยู่ที่นี่ทู k a i ย a n a s h a hisha หลังคาอยู่ข้างบน สยสต์ริห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างปอดยดมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านซากิชอเยเวไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านรตฮิชอหนนบน <ท>มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านพ อ, อ, อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ยยนนห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ สตากูฮิอินคาปาเนซ่าห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ทัมสตัดเนยนาซอเบอินสปาเนซ่าประตูบ้านปิดโฮดนาเวราตาซอเเพอรตาแต่หน้าต่างเปิด อําพักออกหนาออ้าโซอัดประต้วันนี้อากาศร้อนดานส์เยะวโวเชเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นกรีโมวัดนิวโนโซโบอมีโซฟาและเก้าอี้นุ่มตั้งอยู่ที่นั่น ถามสตารโซฟาอินสตเชิญนั่งค่ะอุซดิตัสคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นถามสโตยีมอยราชนายนิกสเตอรีโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นถาม เย m มย่าสเตอริโอน่าพราาชุดทีวีเป็นของใหม่เทเลวิซอร์เย่โปโปนอมานู